แม้มืดตืมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำแม้มืดตืมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำแม้มืดตืมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำ ผ่านพบสามโลกกันเรียนวิชาความจริงของชีวันชื่อโรงเรียนของฉันฝันในฝันวิทยาตื่นนอนตอน การบ้านที่คุณครูให้มาด้วยจิตใจที่บันเทิงหันซาตอนคำก็ามาเข้าเรียนเรียนเรื่องหยุดใจแม้มืดตื่มืดมิด มีสิทธิ์เข้าถึงทำแม้มืดตื้อมือมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำแม้มือตื้อมือมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำ ชันเรียนของฉันมีเพียงฉันเดียวนักเรียนกลมเกลียวแม้จะต่างว้จบอนุบาลได้ด็อกเตอร์ทันใดโอ้อัศจรใจฝันในฝัน มืดตื้มืดมิดก็มีสิ้นเขาถึง ฝันในฝัน